ในมาตรการพระอาจารย์สุชิ น, น, นบุริคุณโนวัตรปาธรรมสักิีและพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถราอูนเถระ ท, ลทหลายตลอดทั้งสถานที่กากรทําด้วยความทะรุอย่างสูงอ้ออ่าเจริญโภนมายังญาติโยม ยี่น้องชาวชาวจังหวัดไระยอผู้เป็นพุทธมามากะผู้ใก้ต่อศาสนานะวันนี้ได้มีโอกาสม า, าแสดงทำเนื่องในงานวันมรนะกับของคุณพ่อศิริ คุณพอสีสีสวยน ะ, ะซึ่งเป็นคุณพอ่อของท่านพระอาจารย์ของเราอท่านได้มารผภานไปแล้วนะว่าเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละนะเราก็มีความเจ่เป็นธรรมดาที่พัวคุณแต้วว่าความเจ็บไข้เป็นธรรมดาความใจเป็นธรรมดาให้เรารู้จักธรรมดาแล้วมีแธรรมดา ธรรมดาคืออันนี้เป็ทุกครั้งอาณาจารยวันนี้จะเอาพูดเรื่องการภาวนาการภาวนาภาวนาให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังพอเป็นเอาน้าโมฆธรรมคำสอนของลูจกจ้าเรียกว่าภาวนานะภาวนาชื่อเต็ม ว่าจิตตะภาวนาภาวนาเราพก็ย่อๆมาไปไหนไปภาวนาที่วัดนั้นวัดนี้ภาวนาภาวนาวนีถ้าจะเรียกใหเต็มก็คือจิตตะภาวนาจิตก็แปลว่าใจนั่นแหะแปลใหความสนงบภาวนาก็แปลว่าท า, าแปลว่าทำ แบ่งออกเป็นสองอย่างภาวนาหนึ่งสมาถะภาวนาคือทําจิตให้สงบทำใจให้สงบสองวิปัสนาภาวนาทําใจให้เกิดสัญญาเนี่ยภาวนานทำได้นะภาวนาแปลว่าทำยอ่อๆแปลว่าทำแปลว่าปฏิบัติแปลว่าอบรมก็ได้หมดนะ่ะ หยิบก็คือใจทำใจให้สงบทำใจให้เกิดปัญญาอีา่แรกจะพูดวิธีทำใจให้สงบก่อนสมถะภาวนาก่อนการทำใจให้สงบมันมีหลายอย่างส่วนครูบ า, าจารย์เราสอนกันหลายอย่างแต่ส่วนพระภรเจ้าสอนอย่างเดียว นะคืออานาปานาสติภาวนาทำใจให้สงบอานาปานอานาปานสติอนะานาก็แปลว่าหายใจเขา้าปานะก็แปลว่าหายใจออกสติก็แปลว่าเราจะรู้นะ เราเอาสติมาแล้วเรกรู้ลมหายใจเข้าออกตั้งกางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนมีลมหายใจเข้าออกเ็าเรียกว่าภาวนาง่ายๆแค่นี้อยู่ใกลจมูกนี่ภาวนาไม่อยู่ไกลหรอกแต่เราท่านทั้งหลายคิบว่ามันยากก็ เ, เลยไม่อลตากันทำ ส่วนมากก็าทำเพืเ่ทานอะไรักษาศีมเส่วนภาวนาในชีนวิตมันยากง่ายมากภาวนานอาณาปานสติภาวนานนที่แรกพกกรูพุองค์เขบอกด้วยปากนี่นะมุขสัาธรมุขแ ป, าปวลว่าป่าปาธรแปลว่าพูดบอกนีพูดเอาต้องเอาจำเอาอาณาแปลว่าลมเขา้า ปัญหานะแปลว่าลมออกสติแปลว่าเระเึกรูก้เมื่อเราจะอาเอาลมหายใจสติมาจากลมห้ใจเราก็ต้องหาที่ตั้งของจิตที่ตั้งของสติที่ตั้งของสมาธิเสียก่อนทางเยลยนลมหายใจนี่มันเข้าจากปลายจมูกไปสุดที่สะดลลงึงเวลาลมเอาพระพุทธเี้าว่าอัดสาสะอัดสาะดสาะ คือกายยัสขานปัสสะสะัพมันไปปรุงแ ต, ตายอยู่ได้ถึงเรียกว่าตายยัสขานออกมาก็เรียกว่าปัสส ะ, สะผู้ปฏิบัติใหม่แล้วไงส่วนผู้เก่าแล้วทำยังไงก็ได้หมดนะทำงานแล้วมีแต่คนพาวนาจริงๆหรือม่ั้นทางระยองของเรานี่ใ ตอนที้พูดเรื่องคนใหม่เราเนี่ยหาเลือกที่ตั้งของจิตที่ตั้งของสติที่ตั้งของสมาธิเลือกตามทางเดินของลมหายใจพระพุทธองค์แบง่งออกเป็นเจ็ฐานด้วยกันหนึ่งปลายจมูกหรือจมอยปากนี่ยสั้นดำนสองหน้าผากสามกระหมอง สี่คอห้าหน้า อ, อกหกท้องเจ็ดสะดือแล้วลมก็ปัดออกมาด้ยวยวัดปัดสะสัปัดออกมากาจากสะดือท้องหน้าอกคอก็หม่อมหน้าผาไปลายจมูกให้เราท่านทั้งหลายหายใจเข้ายอมยาวออกยอมยาว ทีคำว่าอัศสรรย์โตรหายใจเข้ายาวๆก็รู้ว่าเข้ายาวออกยาวก็รู้ออกยาวและสั้งว่าอัศสรรย์โตรหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ว่าออกสั้นให้หายใจหนักบ้างเบาบ้าง ลองทดลองดูแล้วมีว่าได้ผู้ฝึกผัดใหม่ยังไม่ได้ที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของสตินะลมหายใจจะกระทกตรงไหนหนักที่สุดแรงที่สุดเด่นที่สุดจุดไหนในเจ็ดจุดก็เลือกเอาจุดนั้นจุดเดียวลองทดลองดูหายใจเข้ายาออกยา หนักหนักเข้ายาวออกยาวเบาเบาเบาลงอิดแล้วก็เข้าสั้นออกสั้นหนักหนักแรงแรงดูเข้าสั้นออกสั้นเบาเบาดูมันจะไปกระทบที่ไหนตามดูเอาสติตามเล็งดูตาม ด, ด, ตาม ด, ตามดูตามเห็นดู มันเข้าไปที่แรกอกไปจมูกจุดที่หนึ่งเห็นชัดไหมหน้าผากชัดไหมกระมองคอหน้าอกกลางขึ้นมานะัชัดหรือไม่ชัดล ง, งไปท้องแล้วก็ไปถึงสะดือแล้วก็กลับมาทำอยู่ยอย่างนี้ จึงจะจับเอาฐานใดฐานหนึ่งในเจ็ดฐานนี้เป็นที่ตั้งของสติที่ตั้งของสมาธิมีเริ่มต้นทีดแรกนะเมื่อเลือกฐานที่ตั้งได้แล้วเราก็หาที่นั่งอะนั่งที่สะดวกสบายนั่งคู่กันรังนั่งพววู่กันลั ง, งพววูดหาเข้ามา ร่างกายให้ตรงดำลงหยิบไว้ตรงหน้าสติไว้ตรงหน้าจับอารมณ์หายใจที่จุดใด จ, จุดหนึ่งดเดียวนะอยากไปเอาอะไรจุดเดียวเท่านั้นถ้าหากมันไม่สมมุติสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็เปลี่ยนเป็นจุดใหม่ก็ได้เพีงจะเปลี่ยนที่ไหนให้ออกที่เดิมอยู่มี มืนทำอย่างนี้นะสมมติว่าเราเลือกได้ที่ปลายจมูกไปแล้วไปมนาะหลายจุดนี้มันจะเด่นจะชัดที่ปลายจมูกเราก็เอาสติมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกของเราดูลมเข้าก็รู้ชัดต้องรู้ชัดๆนะถ้ารู้ไม่ชัดจิตมันจะแบ่งไปรู้อย่างอื่นไปรู้อย่างอื่ไอนได้ ต้องให้รู้ชัดชัดวิธีทำเข้าก็รู้ชัดออกยาวก็รู้ชัดว่ายาวออกยาวก็รู้ชัดว่าออกยาวออกสั้นก็รู้ชัดว่าออกสั้นออกสั้นก็รู้ชัดว่าออกสัน้นทำอยู่อย่างนี้สติกับลมยาให้ลาดเครื่องนี้กันให้แน่สนิทติ ก, กันอยู่ให้มันเสกอย กินอารมหายใจเดี๋ยง่ายๆคือเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตนั่นเองเป็นเครื่องนะ้นนีของสติเอาสติไปตั้งมาตั้งไว้ที่ปลายจมูกแล้วก็ลงมือปฏิบัติ ง, ง่ายๆดูไปดูมาเห็นเข้ายาวก็ชัดเวลาเข้ายาวเขา้าพิจตกวิจารณ์ ว่ามันเป็นยังไงนิตรกิจาันวิจัยดูเวลาลมหายใจเข้ายาวความรู้สึกเราเป็นยังไงยาวเป็นไปอยากให้มันหนีให้ริตกกิจารณนกันอยู่อย่างนี้ออกยาวเป็นยังไงเข้าหนักเป็นยังไงริตกกิจารณนอย่างนี้ออกหนักเป็นยังไง เข่าเบาเป็นอย่างไงอย่าไปรีดไปร้อนนะไม่ใช่จะไปรีดไปร้อนไปกดไปขึ้นไปเกงอะไรนั่งถ่าสบายจยากอารมณให้ได้สติกำลงให้แม่สนิทจิตเป็นอย่างนี้ให้รูช้ชัดเข่าสันส้นก็รู้ชัดออกสั้นก็รู้ชัดอย่างนี้ไม่ให้สติหรือจิตขาดเพื่อนนี้จากลม ถ้ามันแยกออกไปปั๊บตั้งสติใหม่ตั้งสติใหม่สติแยกปั๊บตัดปึ๊บตั้งสติใหม่อย่าให้กินไปเสีอารมณ์ให้นอกบังคับเข้ามารู้อยู่กับเสียอยู่กับลมหยใจอย่างเดียวทำไปทำมาวิตกวิจารอยู่อย่างนี้ว่ายาวเป็นยังไงสั้นเป็นยังไงเบาเป็นยังไงหนักเป็นยังไงความรู้สึกเราเป็นยังไง เอาแกมากายก็ร่างกายหมายถึงลมงหายใจกายแล้วลมหายใจก็จะเบา ล, าลมออกลตายแล้วจิตของเราก็จะร่างดูไปดูไปอย่างนี้อย่ง้งต่าน ไ้แหละเขาไาม่เสพเดียวกันอย่า ง, งนึงเหมือนละไมผุไปสีไ ป, ไปสีกันเดียวยังไงกีบกับลมสีกันเสพกันอย่างนี้นีเบาลงเางบาลงตายก่อนแล้วลนตายก็คือลมหายใจตายในแล้วล น, นะ ก, กิบก็แล้วนะแบบลมก็เหลือแต่แต่ความรู้รู้เดงขึ้นเขาเรียกว่าเราเห็นกีบได้กีบ เมื่อท่าพูดเป็นภาษาบาลีว่าเห็นตายไม่กายนะอานาปานสติตัวเดียวนี่นะถ้าใครจะเริยนแล้วทํำให้มากแล้วจะได้สติปัญาาสีคือเห็นกายไม่กายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมก็อันเดียวกันนี่นะคือเห็นลมหายใจอันเดียวนะอันที่แรก วดที่แรกก็เห็นกายในกายรู้จักลมหายใจเข้ายาวออกยาวท่านเรียกว่าปีคําว่าอัศสันโต ร, รู้จับลมหายใจเข้ายาวออกยาวรัศสรวาอัศสันโตกฐนที่หนึ่งสติปัฏฐานรู้จักลมหายใจสั้นเข้าสั้นออกสั้นป สัพพายัมปจิส nice ังเวทีอาสาลัเววาสัพพะเะไรทั้งหลายทั้งปวมรู้คลอนขึ้นกายทั้งปวงรู้คอนสะพาสะฉพาะนี่ยขึ้นกายทั้งปวงสะโพกลมหายใจตายทั้งปวงไปลมหายใจเข้าออกไม่หวั่นใจทั้งหมดสัพพายัมปจิสังเวทีปัจสัมพายัมกายยสังขารัง ทำกายสังขารให้นะหนักดับลงกายสังขารก็คือลมหายใจลมหายใจนี่แหละกายสังขารเพราะมันไปภูนแก่กายนอกเอาไว้สังขารไปภูนแก่กายใหอเดียวกายสังขารปัดสันก็ยังกายยัดสันขลังทากายสังขารให้ละครักดับลงเพราไหมือนกับว่าดูไปดูไปลมหายใจเบาลงเบาลงแล้วก็ ด, 4, 3, 3, 4, 5, ดับลงปัสสัมภิญตดับลงหายใจลงแล้วจะเห็นอะไรที่ไหนเราก็จะเห็นจิตเพราะจิตคือผูอ้รูอ้อาศัยอยู่ในลมหายใจเมื่อลมหายใจแระงับดับลงจิตของเราจะโอบกึืนเป็นผู้รู้ เรียกว่าสันห้าเข้าใจไหมน ลมงบาลงมาลงเกิดปีติขึ้นมาก็เรียกว่าปีติปฏิสังเบรกไม่ได้เปเรียกอยู่ทีเสียงหาใจออก ก็รู้คอนแล้วก็สินสุดเราก็เห็นเวทนาด้วิสุขนี่แหละถ้าเรียกว่าเาท ว, ว, วทนาจีตสุขไปปรกอบจิตเราไปป่ะกอบจิตเราจิตเราท่าเรียกว่าเวทนาจิตของเราเป็นจิตล้วนๆรู้อย่างเสดเมื่ออารมณ์เข้าไปประกอบจิต เราปล่อยจิตอีกก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาเวทนาขึ้นมาแล้วก็เห็นจิตของเราสุขดขึ้นก็รู้ ก็เหลือแต่เรก็รู้ันแล้วก็จิตตะปฏิสังเวสีก็เห็นหมดทีิสังเห็นจิตเราเกิดขึ้นมาไอนี่ก็ปลูกขยายความว่าอาณาบาลในเศรษนีู่กอะไเจริแล้วทาให้มากเลยวย่อได้เศรษีประธานสี่น้กขึ้นมาง่ายๆนี่เมื่อจิดสงบแล้วนะนะเอาจะมาที่หนึพงรู้แล้วนะ เห็นลมเขา้าออกยาวลมเขา้ายาวออกยาวก็สัน้นออกสั้นทําลมหายใจแล้วก็ดับลงแล้วก็เห็นจิตของเราเป็นผู้ลู่ลู่ลู่ลูโผล่ขึ้นมาก็เอาสติไปจับเอาจิตเนี่ยเขาเรียนมาเล่าก็ได้ส ม, มถะส ม, มถะภาวนาต้นนีอ่านวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาคือทํางจิตให้สงบ เมื่อจิตบ้างจากลกบ้างจากอารมณ์ว่างจากควาจิตหลุดจากลูกนามดันหน้าไปต่เป็นวินเศษประเทศหนึ่งเดียวในปรเทเอกาชิตาโฮ ด, ดับลมหายใจได้พอถึงจิตเป็นเอประเทศหนึ่งเดียวในบริเขตเอกาจิตาโฮท่ายังไงเราจึงจะดับลมหายใจลงหน้าได้เท่านั้นอ่อนลงนะโทนิเซวายต่างๆให้มันดับลองอ่อนลง จนลมหายใจไม่มีก็ได้นั่งแต่งจิตเป็นผูรู้รู้รูเชิญอยู่เรียกว่าเอูเดคาเอกขตาลมเล้นจิตก็ได้รู้ก้นจากทั้งห้าทั่วชายสะกดไว้สมาชีมไว้ท่านเ ร, เรียกว่าพลิกขำพนับหรือเรียกว่าเกโตมีจิตรู้ก้นจากทั้งห้าทั่วชายสะกดไว้ เปลียเสมอหนึ่งับยากอ่เคยเห็นไม้ทับยากไหมยากเปลี่เสมอันห้ามันทางานไม่ได้พันห้าทางานไม่ได้เพาจิตหลุดคนจากพันหาออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวสมองเรนี้ลูู่ลูอยู่เฉยเเนี่ยอ่ี่จิหลุดคนจากพันห เรียกว่าเอตวิมุตพิมุตแปลว่ารูปปับบ้นเอตเลว่าจิจิต ร, รูปปจากัหาตัวก น, นันอันเรียกวิขำพันาเรืเมืเม่อคันหิตสมองูนั้นเราจะเห็นจิตของเราคือจิตนี่แหละเห็นจิตแว่าคือจิตนี่แหละพูดัจิตแต่เป็นจิตเห็นเรา เจิตเราว่ า, ว า, ง, สวางสว่างใสผ่องใสเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวอยนะนี่คือจิตแแจรเดิมของเราเรียกว่ามุทพจิตตังจิตเดิมแแพร่ห้องเ ร, เรียกว่ามุทะจิตตังหรือคนกินเาเรียกปึ้งสิมจิตเดิมแแพร่ จะเห็นว่าเป็นสภาพลู่ล <stimuli Were simple> hey, ู่ล <us> ู่เฉยนีอารมณ์สองผู้เมกขาเฮ้ยเฉยมันจะดีอยู่ไงเอกับท่าตาลมในขณะจิตที่สงบนี้เราเห็นนเราคือตัวเราคือกลายในคือตาทาในใจจิตตายใจของเราจะไปเห็นจิต เป็นผู้รู้รูู้อยู่เฉยเฉยัไม่สตายไปเ็นรู้รู้อยู่เเเป็นธรรมชาติอย่างนั้นยึดแค่ใจเดิองเราอันนี้ก็เป็นธรรมชาติว่าขออกจากกบาลอยู่เมื่อดำลงให้ใจลง่ายจะเห็นวันทีเลยเป็นธรรมชาติขอกจาลอยู่ที่ ตั้งชื่อว่าพุทโธพุทโธไม่ได้อยู่ที่หนะั้นอยู่ในโรงมหายใจนี่แนะแบบลมหาใจเราเห็นพุทโธเป็นผู้รู้รู้และก็ตั้งสมมติชื่อว่าพุทโธ ว, ว่างเป็นธรรมชาติพ่อโลกพ่อจรรักรวาลอยู่ท่านก็เรียกว่าธรรมโมผู้รู้ว่าพุโทโธธรรมโมก็คือเาาราสังโฆเราจะเห็น จิตแค่เดิมของเรามีอาการสามอย่างอันหนึ่งเป็นผุ้รอันที่สองเป็ น, น, นรธรรมชาติเกว่าโมผู้รู้ว่าพู้โทธรรโมก็คือเราคือสังโฆท่าเราก็จะไปเห็นตอนจิตสงบอ้าทําได้เราก็จะเห็นพุทธธรรมสงฆ์ในเห็นพุทโทธรรมโมสังโฆเป็นมาเห็นพุทธธรรมสงฆ์ใน ได้สาณะที่พึ้นตังแจกไพ่ได้จริงแต่ก่อเราไม่เห็นพ อ, อกมานั่งลงมาที่กินสมุนเราจะเห็นสราระที่พึ้นไพ่ที่พึ้นตังแจกไพ่ได้จริงไพ่ไม่มีไพ่ไม่เห็นที่พึ้นก็เรียกว่าโมคะโมคะบุลบุรุษคู่กล่าประโยผู้ชายก็เรียกว่าโมคะ ไม่ไว่าอย่างนั้นเพราะว่าเกิดมาแล้วไม่เห็นจิดเห็นใจไม่ได้ไปแล้วนะทีะ่เกดเอาเรียกว่าโมหะบุุถ้าเป็นผู้หญิงเขาก็เรียกว่าโมหะสตรีสตรีผู้กล่า Yeah. ตัวตนสัตว์บุคลอยู่ในจิตในใจแต่ก่อนโลกคิดว่าใจนี่แหละคือสัตวะบุคคลคือตัวตนของเราเวลามันสงบธาตเรียบลงไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลนี้แต่ทำใม้ธาตุนั่เดียวอันนี้คือปัญญาเราเห็นในสมาธินี่แก่รู้รู้อยู่เฉยอันนี้ก็เรียกว่าเราได้เจ ลงถึงท่ามช่งทาลงถึงฐานใหญ่บางทีท่านว่าลงถึงฐานใหญ่ลงถึงพระวังใหญ่เคยได้กินพรวังไหมพระวังเล็กพระวังน้อยเขาเรียกว่าพวังคู่บาคู่กับไตรมาสที่ับพรวังจรนะคู่กับภูปิเจรสมาธิพวังคู่บาย ปัญญสมาธิเวังเจรนะคู่กับปณิกาสมาธิเวังคูปัจเฉทคู่กับอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานงมาถึงนี่นี่แต่รู้รูรอยู่เฉยๆมีอารมณ์สองอุเบกขาเอกะาตจิตลงถึงเขวังใหญ่ก็มีเสียงจิตลงมาถึงอัปปนาฌานก็ได้ อุเบกขาเอกับข้าตาลมจิตลงมาถึงอปนาสมาธิพอดีอุเบกขาเอกับข้ตาลมแต่นั้นชาดิมกับสมาธิเรียกใส่กันได้มาลงถึงฐานใหญ่แล้วจะมีอุเบกขาเอกคบ้าตาลมเอกับข้าตาลมมีอารมณ์สองเท่านี้เราก็เห็นจิตของเราเป็นธรรมาชาติอาดรู้ไม่เจอ ไม่ดับไม่เกิดไม่เจไม่ใจไม่เกิดไม่ดับการเวลาไม่คอบงำมีของเราได้นี่ปัญญาเราเองไม่สามารถอันนี้ก็เรียกว่าเจโตวิมุตไปได้ยินไหมนะเจโตวิมุตนะยินค้นจากท่านหาชั่วขณนึ่ชั่วท่ารสะกดไว้สามารถทิ้งคงไว้เนี่ยว่าเจโต เต็มที่แล้วนะอิดของเราก็อาจะออกจากส ม, สมาธิเหมือน ело. เราเราน่ะเมื่อนอนหลับเต็มที่แล้วอิ่เติมขึ้นมาเองไม่ได้บอกไม่ออกไม่ได้ตือนก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกับเรากินข้าวกินน้ำรับประทานน้ำนั้นอิ่แล้วไม่ออกเองไม่ได้ว่าอิ่แล้วนี่แล้วไม่ได้บอกยืดๆไม่ได้บอกมันออกเอง ทานสมาชิกเหมือนกันเข้าไปพักก่อนจิดไปพักก่อนเป็นที่แล <mon> ้วจ <forever>. <du> ิตก็ถอนออกมาเริ่มจะเห็นลมให้ใจอยากขึ้นอยากขึ้นเวลาจิตถอนมาเห็นลมให้ใจอยากขึ้นอยากขึ้นก็เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นก็เห็นกายของเราเห็นขานหน้จิตก็มาอุปทานเอาขานหน้าจิตก่อนอ่านี่แหละคือจิตสงบ จิตลงไปถึงธรรมชาติไม่เรียกว่าพระเถรเนรชีอุบาสกอุบาสิกาจิตลงไปถึงธรรมชาติอันนี้เป็นอะกันหมดเหมือนน้ําฝนตกอยู่ในประเทศไหนเหมื่อไหลลงไปถึงทะเลก็เป็นน้ําเ็มเหมือนกันนะไม่เรียกว่าพระเถรเนรชีอุบาสกอุบาสิกา ชายหรือหนุ่มหรือแก่ถ้าลงถึงธรรมชาติก็เป็นหนึ่งเดียวอยู่อย่างนี้ลงถึงท่านใดเขาเข้มดอ่าอันนี้เข้าใจอย่างนี้นะเวลาจิตออกจะสมาธิใหม่ๆเขาพระองค์เรียกว่าจิตกันังนุ่มนวลผู้ควรแก่การใช้งานนุ่มนวลผู้ควรแก่การใช้งานจิตพระก่อนใหม่ๆ เหมืนอนเรากินข้าวใหม่ๆนอนตื่นใหม่ๆม่อารมี์มดีมีาลังมังชาแข็งแรงจิตของเราพักผ่อนเพราะมีพละมีาลังขึ้นมาพนเรียกว่าจิตนุ่มลวนผู้ควรแก่การใช่ไหนจึงเอาจิตไปคิดนะและยะเข้าสมาธิอยู่ระยบังคับจิตไปคิดไปเด็ดขาดให้มันอินตัวซะก่อนเป็นพลรบานละ สามาร่ายต่อษษวิปัสสนาเป็นคนนั้นขั้นพละต่อไบางคนจิตสงบลงลงหายไปไม่มีต่ออยากได้ปันญาก็เลยพายจิตไปคิดคุมบางสักจิตให้คิดเดื่นั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นวิปัสสนาไปเสียหลงทางไปเสียเหมือนเราเรากินข้าวยังไม่หยุดเขาเรียกไปทำงานมันก็ไม่เต็มที่ใช่ไหมละ่ะ เมื่อเรามาหลับอยู่เขาปลุกไปทำงานเขาไม่พอใจไอ้นี่จิตก็เมือนกันระยะมันพักอยู่เข้าสมาธิอย่าไปใช้จิตทำงานเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วจิตใช้จิตทำงานท่านเนี่ยว่าหยุดคิดเวลาเข้าสมาธิหยุดทํางานหยุดคิดทําให้จิตเป็นหนึ่งแล้วจิตคิดเมื่อจิตออกจากสมาธิมาใหม่ นุ่มนวลคู่ควรเจการใช้งานจึงใช้จิตยิ้ดนี่ไหมเข้าใจนะคนละตอนกันใช้จิตใช่ไหยคิดคิดเรื่องอะไรก็ ค, คิดรู้ขั้นสกุลกายทั้งหาเรานี่ไม่ได้เป็นคิดเรื่องเนึ่หรือหรือใครอยาได้วิชาวิชาสามจิตนุ่มนวลคู่ควรแเจการใช้งาน เมืแบบช่างเหล็กช่างทองช่างเหล็กช่างทองเขาไปเอาเหล็กไปเข้าเตาหลอมเอาให้มันแดงมันนุ่มใช่ไหมอ่าเขาจะตีให้เป็นบีบเป็นขวานเป็นหอกเป็นดาบได้ทันั้นมันนุ่ ม, มนวลอยู่ทองคำํำก็เหมือนกันเอาลงไปเบา้าหลอมทองคํา ออกมาใหม่ๆแล้วจะแปรเป็นรูปก้อนอะไรก็ได้เป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นอะไรก็ได้จิตของเรากเหมือนกันนุ่มนวลควรควรแก่การใช้งานถ้าใครอยากได้วิชาสัน้องจิตทายจิตไปที่เรื่องทายจิตของเราน้องจิตไปดูจิตตัวธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ในสมาธิ ธรรมชาตินั้นท่านเรียกว่าธรรมโมพุโทโธท่านเรียกว่าผู้รู้ธรรมชาติก็เรียกว่าธ ร, รรมโมอีกตัวนั้นไม่มีประมาณอัปปานุธรรมธรรมชาติพระธรรมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณสัญญาเก่าอารณ์เก่าที่เราเกิดมาแต่พบเก่าชาติตนหลายๆพบ หลา ย, ล, ายาล้านชาติแสนชาติเหมื่นชาติจะมารวมยู่มีสัญญาอารมณ์ต่อจะมาอยู่ที่ธรรมชาติตัวนี้ที่เขาเรียกว่าธรรมกายเนี่ยเคยได้ยินไหมอะธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติแล้วก็น้อมจิตไปดูธรรมชาติตัวนี้มันจะเก็บอารมณ์ไว้ สัญญาอารณเกาออกไว้ย้อนและลึกไปย้อนลังไปเราก็จะได้ลึกชาติผลลัพได้เรีเรยกว่าบุเพนิวาส า, านุสติญาณนี่นใหม่ๆออกจากสามาะที่ไม่ๆก็จะได้บุเพนิวาส า, านุสติญาณและญาณลึกชาติผลลัพธได้ ชาตนินั้นเคยเป็นอันนั้นเคยเป็นผัวคนนั้นเคยเป็นเมียคนนี้เคยเป็นอันนั้นเคยเป็นอันนี้ย้อนหลังไปดูตลอดวันตลอดเรื่องขจกมันเป็นเราเกิดมาหลายล้านชาติแล้วนี่เรียกว่าบุพเพนิว่าสานุสติญาติที่นุ่นวลผู้ควรแจกการใช้งานอยู่อยาเพื่อให้มันยากแล้วเราจะร้อนไปดูว่าสัตว์ทําไมเคยเกิด คนนั้นไปเกิดคนนั้นคนนี้ไปเกิดอันนี้ปเป็นอันนั้นอันนี้เราย้อนไปดูได้เรียกว่าอยู่ตู้ประพาแต่อยันวิญญาณรู้ว่าใครไปจุดจิไปเราเกิดที่นั้นที่นี่เพราะอะไรเพราะกรรมเพราะผลของกรรมเขาทํากรรมอะไรไว้เขาต้องไปเกิดใช้กรรมใช้เวรกรรมเรียกว่าอยู่ตู้ประพาแต่ย่าง อันนี้ยานสองอย่าง น, นี้เป็นยานลอยะบุคคลธรมรมดาสามันก็ทำได้ส่วนยานอันที่สามอาสาบักขยญาญานเคยได้ยินไหมนะอาสาบักขยญาญานยานสิ้นไปเห็นอาสาบัจเร็วนี่เราไนองจิตไปดูลู่จิตจิตของเรากายของเรา รูปน้มทันหน้าไม่มีเวลานอนหลับเราไปไหนนะเคยเห็นเราให้นอนหลับนะ เ, เข้าสมาธิก็ไม่มีเรานะมีแต่ธรรมชาติเราเห็นธรรมชาติรูปนามกันหา้าเลยธรรมชาติไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลกายก็สัตว์แต่ว่ากายไม่มีสัตว์บุคคลตอนเข้าสมาธิไปเห็น ใจก็สัตว์แต่ว่าเขาตั้งชื่อสมมติว่าใจเฉยๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราจะรู้ว่าลูกน้มขัห้าไม่มีมีแต่สมมติปัญญาเขาว่ากายกับใจเขาสมมติว่ากายกับใจสมมติว่าลูกกับน้ำสมมติว่าขันห้าขันหา้นหารจริงๆไม่มีเวลาขันหา้าทำงาน เราจรึงไม่มีไปยึดถือกั น, นะฮะเรากลับมีอาสาบัคคาญา ย, ยานสิ้นไปแห อ, อาสาบัคิลิเมื่อตาเห็นลูกใจมีหน้าที่ในการรู้ตามีหน้าที่ในการเห็นเมื่อตาเห็นลูกใจก็ไปรู้ให้ใจมีเจ้าของไหมล่ะที่นี้ เห็นในสมาธิกันนะผู้ได้สมาธิไม่มีสัตวกภกตนเพ่ยแต่รูกปกับน้ำยิ่งอาศัยกันเกิดตาก็คือลูกใจก็คือนมามมนรู้ให้กันรู้แล้วก็เฉยอุเบกขาเนี่ยนะลูกเฉยที่ไม่ดีไม่ยุ่ไรนะรคือพุทโธแค่คือยิตแค่ได้เดียถ้านู้แล้วไปยึดไปถือเขาเรียกว่าจิตปองสนุษไทยเหตุเกิดแห่งทุกเกิดปัญหาตามปัญหาเพราะปัา เรารู้ว่าทัานหาว่ามาจากใส่บุคคลตัวตนเราเป๋วเมื่อทัานหาเกิดจากาทัญหาวทำงานจึงไม่มีใครเป็นอุปทานทัานห้าวแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกได้สิ้นอาสวบกิเลสรู้ว่าตาเห็นรูป ก, ก็ไม่ใช่เราเห็นหูได้ยินเสียงก็ไม่ใช่เราได้ยินเพราะใส่บุคคลตัวตวนมันไม่มีมีแต่ทำไมชาติเท่านั้น อันนี้เกิดอาสาวคกายญาณญาณสิ่งไปเี็นอาสาวรกิเลสกิเลสได้สาหรับญาณมันมีนะจะรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นสามัญชนรู้ไม่ได้สามัญชนคนธรรมดารู้ไม่ได้รู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพระอรหันต์เท่านั้น อาสาวรขจ ย, ยาณดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ใช้อาณาปานสตินี่แหละนั่งในคืนนั้นดูลงเขา่าลงบอกก็เห็นกายในกายลงให้ใจเข้าไปเห็ยกายในกายเมื่อดูไปดูมาก็เกิดปีติสุขเกิดขึ้นแบเห็นเวทนาในเวทนาท่านก็ดับปีติสุขลงได้ก็เห็นจิตในจิตเมื่อเห็นจิตในจิตท่านก็เห็นธรรมในธรรมขึ้นมา ตัวสติประฐานที่สี่ตัวหมวดที่สี่เห็นธรรมในธรรมเห็นในสมาธิก็ได้บอกอยากทำสมาธิน้องไปดูก็ได้เห็นธรรมไม่ใช่ด้หนึ่งคือรูปทำคือลมหายใจใช่ไหมที่บอกไม่ผิดไหมนะนี่แหละรูกทำคือลมหายใจลมหายใจคือกายในคือรูกทำใจคือนามธร ที่เราเห็นทำเห็นคันห้าตายจากใจนี้เรียกว่าคันห้าเห็นรูปทำงามทำเห็นลมหายใจเข้าก็เรียกว่าคันห้าเกิดใช่ไหมล่ะฮะเห็นลมหายใจออกก็เรียกว่าคันห้าตายท่านก็เห็นหมวดที่เห็นเกิดเห็นแบบนี่แหละอาสาบะอะรเนี่ยเห็นเกิดเห็นแบบ เห็นสิ่งในสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรมรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรมรมดาขันห้าหรือจกขันห้าไหมอะไรอย่านั้นขันห้าขันภายในนะขันหยาบหยาบหมือนพอมองเห็นอยู่ขันละเอียดคือลมหาใจหรือรูปธรรมใจคือนามธรรมวิ่งเข้าก็เกิดออกมาก็ดับเห็นเกิดเห็นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับ นั่นแหะยังยินจิตสมุทะตะธรรสัพพันปัญญโหรธรมนันติพระอาญากัญญสิ่งใสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมไดเห็นหมะ่ะเดสิ่งทั้งหลายก็ดบไปเป็นธรรมเห็นเกิดเห็นดันหาเกิดแลก็ดเกิด มันเกิดมันดับมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮะเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงก็เห็นอันนี้แจ่มๆเลยนลมให้ใจเขา้าพ่เกิดลมให้ใจออกพ่ดับวิบ ญ, ญญาณเกิดวิ ญ, ญญาณดับออกมามันก็ทิ้งซากศพเอาไว้ชั่วขณหนึ่งวิญญาณเขาเขาผง้อมเรียกว่าคนบิกะมอได้ไหมเคยได้ยินไหมใต้ชั่วขณะหนึ่ง ตายหมดเนยอยู่เนี่ยไอเราไม่เห็นเรากเกิดเราตตายตช่วงนหนึ่งเรียว่าขามีกัดหมอนอะไรนังท่านเรียกว่าปฏิชันนะตายแบวกอกผิดนั่นเราจึงไม่โกใจ เ, ออเกิดตายเกิดตายหมดที่สี่ทำหมดที่สสติปัญญาสี 5, เห็นเกิดเห็นขั้นหานเกิดเห็นวิญญาณเกิดดับเกิดตายเกิดตา ย, ตาย อยู่อย่างนี้นึกออกไหมล่ะนะเห็นเกิดเห็ น, นตายตายแหวกปกปิดปฏิชันนะหรือท่านพี่บอกขานนี้แบบมอและนะ้วน่งตายทั่วขนาดเดียวเท่านะั้นก็เข้าไปอีกเกิดอิดมันเกิดมันตายสื่อเนื่องกันเป็นสันตฏิอยู่อย่างนี้เราท่านทั้งหลายจิ้มนั่งอยู่ได้ถ้าหากว่าลมไม่เข้าเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้า ท่านเนี่ยว่าอติชันนะตายแบบเปิดเผยนั่งอยู่ใหไ้ได้เขาจะอะไะตายแบบเปิดเผยนี่แหละตายแบบเปิดเผยอแัย ว, นะว่าไม่อภิชันะไปบอกปกติอภัยว่าไม่ปกติก็คือตายแบบเปิดเผยนั่นเองเราจึงไม่เห็นเราเกิดเราตายอ่าพระพุทธองค์ยังถามพายมนอยู่ ไเคย อ, เ อ, อ่นเยอันอนู้นแต่เห็นความเคยความได้ความเจวันละกี่ครั้งผ้าม้นต่อไปอยังไงหลายครั้งอยู่พราะเจ้าผ้าอ่พระพุทธองค์ว่านี่อัน น, นู้นเอออันนี้ไม่มีสติปัญญาหน้าตั้งไม่พอต่มาแล้วได้เนี่ยแค่ต้องเห็นทุกลมให้เจ้เข้าออกสิจรงแตไม่ตั้งในความไม่พมา เห็นไหมนะเห็นเกิดเหตายไหมเราฮะขนาดนีโตแบบนี้ยังไม่เห็นจะคงเกิดจะคงตายเห็นแดดเข้าเลยว่าเกิดเห็นแดดออกเลยว่าตายตายเท่าน่ะอนี่แจ้เห็นอนิจญุปสิอนิจจาไม่จากอะไรอานิจากับอานิจจังอันเดียวกันไหมจึงเห็นอานิจจังตามเห็นความไม่เที่ยงเมื่อลมหายใจเข้า เป็นประจําตามเห็นความไม่เที่ยงเมื่อลมหายใจออกอยู่เป็นประจําเรียกว่าอนิจจานุปษษัสสินี่นไม่ง่ายเถ้าจิตไม่สงบก็มาจากอารมณ์นี่แนหะละนิรุมเขาเาเรียกว่ามิจฉาเกิดแล้เกิดตายตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจําเมื่อหายใจออก ภาษาบาลีเรียกว่าอนิจจาัุปัตสีอนิจังหรืออนิจจามันเดียวกันเพราะเห็นอย่างนี้ก็เกิดนิพิธาพราะว่าเห็นอันหามมันเกิดมันตายเห็นลมเขาใจะหายใจเขา้าออกเห็นอนิจจังลุกขงังนธณาดาอยู่เจีงเบื่อหน่ายใช่ไหมเบื่อหน่ายในกายเจของเบื่อหน่ายในลมหายใจเจ้าของ เบื่อหนในดินยานเบื่อหนในขันหท่านเรียกว่าเกิดนิพพิทานิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่เบื่อหน่ายเมื่อเกิดนิพพิธาเราก็เกิดวิลาคานุปัสสีราคะแปลว่ายินดีพอใจมิราคะแปลว่าไม่ยินดีไม่พอใจในขันห้าไม่ยินดีไม่พอใจในผู้กานาลไม่ยินดีไม่พอใจในรให้ใจ ไม่ยินดีไม่ปอยใจในวิญญาณมันเกิดมันตายอย่างนี้มันไม่มีสารสาระเปลี่ยนสารอะไรมันเป็นธรรมชาติมันเข้าแล้วก็ออกมันเป็นอนิจจังเข้าออกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้จึงวิลาคานุปัสสีคายความยินดีในขัน้าเมื่อใครยความยินดีแล้วก็ แต่เกิดยานยานั้นอื่ขึ้นมาเนี่านิโรธาลุปัสสีนิโรดแปลว่าอะไรแปว่าดับใช่ไหมฮะแล้วยงดับลมหายใจลงดับขันห้าลงเพราะว่าเห็นว่าขันห้ามันเป็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาไม่มีสาระแจกสารขึืนอพาอาศัยไม่ได้จึงเกิดยานตัวที่สี ปฏินิสคานุปสีจิงสลัดขันห้าสลัดลมหายใจปฏินิสคานุปสีตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจออกอานาปานสติหมดที่สีเห็นทำในทำทำ คือรูปธรรมคือลมหายใจเข้าใจไหมอะไรทำไม่ทำนามธรรมคือใจคือจิตนามธรรมรูปธรรมนามธรรมคือพิญญาคือขันหะมันเกิดมันดับมันเป็นอนิจจังทุกข้ังอนัตตาที่เห็นทำในธรร ม, มธรรมะคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วประดับเป็นอนิจจังทุกอนาาั้า เราจึงสลัดขันหา้าคืนให้กับธรรมชาติเสียเพื่อคืนให้กับอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเสียพบก็ไม่มีดับพบกนได้แล้วดับพบแต่แล้วเมื่อพบดับชาติยังไม่มีเมื่อชาติอยู่มีก็เรียกว่าพระนิพพานง่ายๆเนี่ยอนาพานสติ อันนี้เป็นขั้นปัญญาหรือเราออกมาแล้วถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้พระพุทองค์จึงแนะนําให้รู้จักกรรมฐานห้านะกรรมฐานห้ากรรมฐานหาออกมาจากสมาธิใหม่ๆก็นําเอากรรมฐานพระพุทธเ้องค์พระพุท้องค์งไม่มีเวลาให้จาำง่ายๆมุกขปาฏิวัตรด้วยปะให้พ่อเจสาคนที่จะไปตรวจ หมือน้าผาปวดเหมือนในทุกองนะท่อมาหมดเยเจสารโรมานักขาดันตาจรโจรโจรดันตานักขาโนมาเจสาอนุโลมแปลว่าตามไปท่องไปหน้าแล้วก็ปฏิโลมคอยหลังตามมาจงให้จำได้จำได้ก็ปัดนะแล้วก็เอากรมาฐาน หาอย่างใลยอย่างหนึ่งมาโยนิโสมาให้ควรพิจารณาดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงามาถามดูผมผลเล็บปันหนังด้วยคำถาม หิบหลงเอายิบแ ก, เ, กเอาอกิบมาแก้หเจ้าของมาตอ่อหยิเจ้าของทานหคเจ้าของให้มันหายงห้หายหลก็ เ, เราผมไม่ใช่เราใช่ไหมเราไม่ใช่ผมฉนั้นวัตถุกุญ น, น, นี่เขาตั้งชื่อสมมติไปเรานะใช่ไหมดินน้านลมไปม า, าประกอบกันเขาตั้งชื่อไว้เราเรามีช่ไหมลนะ่ะทีนะี้ฮะ เราก็มีรลยสมมุติผมก็เป็นผมรลยสมมุติไม่มีสัตว์บุคคลก็ตอนอยู่ในผมก็เรียกว่าลักัตยาิฏฐิได้รั่วผมสัตว์แปลว่าธาตุดินเกิดขึ้นตั้งอยู่ลไปไม่ใช่สัตว์บุคคลก็ตนลเลาก็เป็นสมาธิฏฐิเกิดขึ้นก่รนละสัตยาทิฏิได้ถ้าผมไม่มีสัตว์บุคคลก็ตน ขนจะมีไหมมีเจ้าของไหมฮะเล็บมีไหมฟันมีเจ้าของไหมหนังมีเจ้าของไหมนี่มันรวมกันขอนังห่อไว้เขาเรียกว่าตัวตนใส่บุกคนตัวตนใส่บุกคนไม่มีเรากันละนิทชาทิฐิความเห็นผิดได้สามารถทิฏฐเกิดขึ้นเราก็ได้เป็นพระโสดาบันและสัจจตทิฏฐิ มีกิจจิปชาความโลเลสงสัยว่สาสัตวคนก็ตนนี้อยู่ในตายดับลงไปอิรพัฒน์พลัมากก็ดับลงไปทำมันมีเกิดขึ้นทำนี่ก็ดับลงไปนะอันนี้ก็เรียกว่าได้เป็นผ่าเห็นอย่างนี้ก็ได้เป็นพระโชคลาภง่ายไหลนะพี่นี่ไหมนะต่อไปนะเห็นมัน เป็นอสุภะอสุภะสุพังสุภะแปลว่าอะไรนะสุภะมีคนแปลไร้ไหมอยู่เนี่ยโสภะแปลว่าอะไรเอ้อสุขะแปลว่าอะไรโสพีโสพีแปลว่าอะไรเออโสพีโอ้ไม่มีใครแปลได้เลยเนี่ยโสพีก็แปลว่าสวยใช่ไหม โสพาแปลว่าสวยว่างางโสเทนีแหะจิแปลว่าอะไรนะโสเทนีแปลว่าอะไรหญิงงามหญิงสวยหญิงงสุภาแปลว่าสวยแปลว่างามอ่ะแปลว่าไม่ใช่ไหมแต่เห็นเป็นอสุภาพจรแต่ก่อเราเห็นผมเขาสวยขางามเราก็รักใช่ไหมละ่ะ ที่นี่เราเห็นเป็นอสชุพะทําไมจึงเห็นอสุภะผมมันแก่มันยาวขึ้นมามันแจกขึ้นมามันร่วงมันหล่นลงมาถูกถ้วยแกงเราอยากกินไหมฮะผมเขาหล่นลงมาถูกถ้วยแกงฮ ะ, ะโซครกหรือไม่โซครกเนะี่ย อ่าลงมาผูกแก้วน้ำํำน่ากินไหมนั่นเป็นอสุภะกินมันเป็นยังไงผมไม่สา่ไม่สารนะมันหอมไหมมันเหม็นสาบเหม็นข้าวไม่สา่ไม่สาง ม, มันต้องก็เห็นเป็นอสุภะถ้าผมเราเป็นอสุภะผมคนอื่นก็เป็นอสุภะเหมือนกันไม่สวยไม่งามเน่าเหม็นเหมือนกันเมื่อเห็นเป็นอสุภะ ก็จะได้เบื่อหน่ายในกายจะห อ, อมเบื่อหน่ายในกายผมคนอื่นก็เป็นเหมือนกันแต่เขผมันเดียวนี่นะเข้าถึงพร่涅槃ได้ผมคนอื่นก็เป็ น, เ, ปนหเหมือนกันใช่ไหมถ้าผมของเราเหม็นสาบเหม็นคาวหลน่นลงไปถูกด้วยคนด้วยแกว นันก็ไม่มีขยะจีนขยะสันมันสกบก็เห็นอสุภะยิ้มเบื่อหนในกายของเรามันนอมันเหม็นเมื่อเบื่อใน่าในกิ้มจะเบื่อหนในกายเพราะพระองค์ยิ้ให้ทำอสุภะขึ้นใส่จำเพื่อให้เบื่อใน่ในกายของแล้วก็จะเบื่อในในกาของฝ่ายตรงนั้นเมื่อเบื่อหนในกจแล้วก็เบื่อใน่ ม่เกิดใช่ไหมก็ไม่อยากไปเกิดอีแล้วห้องนอกงนีไม่เกิดหนาเลภาษาน้ำอสุจิของพ่อน้ประจัเรของแม่ใช่หม่ะมันก็สุกระปกแล้วก็เบืหน่ายในกายเบืหน่ายในกลางยิ่งไม่จะมาเกิดอีกแล้วก็ได้เป็นสาอนาคามีง่ายไหมล่ะเห็นสุภาก็ได้เป็นอนาคามี เม่อเห็นผมเส้นเดยวนี้นะมันทำไมถึงยาวเอาผมทำไมถึงยาวใครตอบได้ฮะผมทำไมถึงยาวโอ้ยไม่มีใครตอบทุคกคนเนาะเพราะอะไรเพราะมันไม่เทียงใช่ไหมถ้ามันเทียงมันอยู่เหมือนเดิม เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มยาวออกแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงใช่ไหมละ่ะผมทำให้ถึงเหมเาะได้ไหมเ <c oughs> พราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมอ่าีลยเราก็เห็นมันหมมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงมันจะเหมาะไหมะนี่เราก็เห็นอันนี้อย่างใช่ไหมละ่ะ ถ้าเห็นผมเส้นเดียวเป็นอนิจจังหนังว่าเหนียวต้นเหมือนกันแก่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเล็บกว่ายาวเหมือนกันฟันก็ห่วงหล่นเหมือนกันอะไรก็เป็นอนิจจังเขาก็จะเห็นอนิจจังเขายังไงล่ะเห็นกายทั้งหมดเพราะว่าผมเป็นกายส่วนหนังเล็บฟันก็เป็นกายเหมือนกันก็เห็นอนิจจังทุกขังมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด มันตลอดขึ้นทนอยู่ไม่ได้เยาว์ทุกขังแล้วบอกไม่ได้หงายยาวนะขี้เจียจไปจ้งเขาแตะใช่ไหมละ่มะหงายหมอกนะขี้เจียจไปย้อมไอ้คนใช่ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็เห็นอนิจจังทุกขขังอนัตตา ยิ้มเบื่อหน่ยายคายความีิดีในายของในขั้ห้าดับไม่มีเหลือสิ้นอาสาบกิเลสนี่แหละวันนี้ได้นำออกอาณ า, าพาณสติเีตพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าแต่สรู้ด้วยอาณาพาณสติอาณาพาณสติเมื่อบุคลในเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมได้สติปัฐานสี่ย่อมได้โพธิคงเจย่อมได้วิชาและมิมุดเกิดขึ้นดั้แผ่นห้าสิอาสากิตได้ออนเนีอ่อกไหมโพธิคงเจต่ะมาเกิดได้ยังไงนะสติปรฏฐานสี่เเกิดอย่างมหใจอย่า ง, งเดียวเอาออกก็ออกไปเห็นใจไม่ได้ เห็นเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรู้ธรรมนั่งธรรมเกิดดับใช่ไหมแล้วโชงเอาสติมาแล้วรู้อยู่รงหาใจอย่างนี้ก็เรียกว่าสติสับโคงเราจะเิแล้วใช่ไหมมีสติรูล้ลมเข้าลมออกก็เรียกว่าสติสำหรโชงเราได้จะเินแล้ว เมื่อวินิะเพียนตั้งสติมาวิจัยดูลมหายใจดูกายในกายดูจิตในจิตดูธรรมในธรรมเหมือแได้ดด ค, ด ค, ดดนคนหนึ่งก็เรียกว่าธรรมะวิจญะสัมกัดทรงเราได้ไปเลยนแล้วเราได้ฝาลอกแล้วง่ายๆนี่แหละมันได้อนาปานสติอย่างเดียวจะได้ สติปัฏฐานสีโพธิมกปัญญาวิชาพิมุขเกิดขึ้นดับกันหน้าได้เหลืออนาภานสติบุกภายในใจเลยแล้วทําให้มากแล้วย่อมได้เจโติุปัญญาวิมุกิฏมุกจนดับกันหน้าสิ้นอาสาละกิเลสในทิฏตธรรมนี้ในชาติปัจจุบันนี้ทิฏฐธทําแปลว่าปัจจุบันทันได้ ถ้าเราจับเราให้ใจกับเราให้ใจลราไนแเราก็เห็นจิตคือผู้รู้ขึ้นมารู้รู้อยู่เฉยๆแล้วก็เห็นอุเบกขาสัโพธิโสรุ่งใช่ไหมง่ายไห่ะไม่นช่อะไรน่ะมีอยู่แค่นี้ก็ดับได้สิ้นอาสาเป็นฤทธิ์นะวันนี้ก็บอกมาสแสดงทำคำสอนของพรูเรเจ้าให้เราท่านท้หลายฟัง เรื่ออาณนะาบาลนสตินะเรื่องอวนาอาวนาแปลว่าทำอวนาแบ่งกเป็นสองอย่างหนึ่งทาง่าจิตให้สมวกสองท่าจิตให้เกิดปัญญาอ่านี่นะแหละเราก็อธิบายใน้ฟังแล้วทา่านจิตให้ส่มวกก็คือจาะอารมณให้ใจทา่านจิตให้เกิดปัญญาเรามาดูได้จะมองให้เห็นู้เห็นตามความเาป็นจริงเกิดแย่ถาภูตะยันพัสนะขึ้นมา ด้วยสต่บุคคลตัวตนเราเขาไม่ยู่ในพันหาเราก็ดับทันหาได้สิ้นอาสาบิเลดดังได้แสดงธรรมาก็สมคนวรเจรวญเอวังก็มีด้วยก็ตาดัชนี